แบบตื่นทิ้งอย่างเดียวแบบโรงทิ้งอย่างเดียวเลยตื่นแบบไหม้นั่นแหละโพลงแบบไหม้นั่นแหละอันนี้เรียกว่าสว่างสวยรุ่จ้าออกตลอดอย่าแบบคอยอยู่นะ ถ้าคอยอยู่กับจิตมันก็เหมือนเดิมอะเกาะหลักไม่ยอมสลลทีเกาะกายเป็นหลักเกาะจิตเป็นหลักมันจะเกาะกายเกาะจิตจับกายจับจิตลักษณะที่คอยอยู่กับกายคอยอยู่กับจิตเนี่ยมันก็คือกรรมฐานของใครเพราะมันอยู่แล้วตลอดเวลาเลยเรากรรมฐานกรรมฐานกรรมฐานไม่สว่างสวยล เนี่ยตื่นทิ้งอะไรโล่งทิ้งอหละก็ตื่นแบบไม่นั่นแหละแบบไม่อะไรกับอะไรนั่นแหละพรองแบบไม่อะไรกับอะไรนั่นแหละ ก็แค่นั้นแหละแบบไม่อยู่แล้วนั่นแหละอืมแบบไม่อยู่แล้วนั่นแหละตื่นแบบไม่อยู่แล้วพร่องแบบไม่อยู่แล้วลไม่ใช่ทยานออกนะมันจะ มันจะชอบซ้อนชอบดูมันดูเหมือนไม่ใช่ทยานออกนะ้แบบไม่อยู่แล้วเนี่ยนะมันคือไม่คล้องเพงไม่คาเพองมันไม่มีเลยมากนะไม่ใช่พยายามหลุดไม่ใช่พยายามพ้นไม่ใช่การทยานออกจากตัวมันเอง แบบไม่อยู่แล้วนั่นแหละตื่นแบบไม่อยู่แล้วนั่นแหละมันจะตื่นแบบไม่เกาะตื่นไปเองเรียกว่าไม่เป็นวิปสัสสโนกิเลสไม่เป็นกิเลสในสติไม่เป็นกิเลใสเนเลในความตื่นแต่ถ้าตื่นแบบพยายามตื่นนะมันยังเป็นกิเลสในความตื่นอยู่ หรือถ้าพ่องออกแบบพยายามที่จะพ่อง บ, บัทยานออกมันยังเป็นกิเลสในความสว่างความพ่องอยู่แต่ทั้งนี้ทางนั้นก็จะคลายตัวมันเองเองจงฟังว่าแบบไม่อยู่แล้วเนี่ยนะพ่องแบบไม่อยู่แล้วเนี่ย หมดใจไปเองที่กอดไว้สงไว้เกาะไว้อะไรนี่ยเรียกว่าจับหลักนั่นแหละเดี๋ยวมันสระในการคอยจับเองจับหลักอะไรเนี่ยไม่มีพูดจับหลักไปเองเนี่ยพอคลายแล้วเนี่ยพอโดยไม่อยู่แล้วเนี่ยลักษณะของการคอยเกาะหลักจับหลักหรือลักษณะของคอยกรรมฐานเนี่ยจะหมดเอง ไม่มีอะไรกรรมอะไรไม่มีอะไรเกาะอะไรเรียกว่าวิมุตตอยู่แล้วไม่ใช่อะไรคอยเกาะอะไรไม่ใช่อะไรคอยจับอะไรทางจิตนะ แบบไม่อยู่แล้วนั่นแหละมันก็เรียกว่าคลายออกจากกันเกาะจับทางจิตเอง ทีมันเป็นนิวรนไอแบบซึมซึมเนะ่หายไปหมดมันจะหายไปหมดไม่ต้องห่วงเห็นไม่ต้องห่วงรู้ไม่ต้องห่วงรู้ซะก่อนเห็นซะก่อน เรที่ไม่อยู่แล้วเลยไนอะ้นี่โรสว่างอยู่แล้วนะี่ยลูกตัวที่ห่วงรู้ของลูกนี่เรียกว่ากามอนุัยในวิญญาณธาตุกามอนุใสในเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณขันรู้เนี่ยเป็นกามอนุัย ไม่ต้องห่วงเจริญกา ร, รมโนสัยหมายความว่าคือไม่ต้องไปยึดซะก่อนอีกไม่ต้องไปห่วงรู้ซะก่อนนั่นแหละเรียกว่าไม่ต้องไปห่วงยึดซะก่อนยึดรู้นั่นเอง คลายอยู่แล้วเลยลูกเป็นแบบนั่นเป็นพื้นฐานโดยนิพพานอยู่แล้วโดยสว่างสวยอยู่แล้วเลยลูกไม่ใช่ไปห่วงยึดซะก่อนแต่นั้นเนีรู้ว่เห็นจิตเนี่ยมันมีอยู่เองแล้วเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเจริญมันอีกลอกมันจะทำงานโดยอัตโนมัติของมันไปเองแต่คลายาไวด้ดีๆเป็นพื้นฐานของความมายึดไม่เกาะไม่แกะเอาไวด้ดี มันมีอยู่แล้วนะ่ะอุปโลกมาแล้วมันก็มีอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่า ก, กายไม่ว่าจิตเนี่ยมันก็อัตโนมัติในการอุปโลกใช้เองไม่ต้องไปห่วงเจริญไม่อด้หรอกโดยที่ม่อยู่แล้วเป็นพื้นฐานไม่ดีๆเหมือนก็ว่ามันไม่ยึดอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเนี่ยเวลาอุปโลกใช้สมมติใช้กายแล้วจิตก็ตามทีมันก็ไม่หลงติดหลงยึดไปเองใช้แล้วแล้วไปเอง หลพรงเลยพรงเลยโดยที่ไม่อยู่แล้วนะั่นแหละมันก็พรงเองเลยน่มันเป็นเนื้อหาของการที่มันคลายตัวมันเองอยู่แล้วนะคลายจิตไม่ใช่รวมจิตในรวมจิตนี่มันสมาธิ มันตาบ้ามันชาญมันโลกียะหมดส่งคืนโนยาตาให้หมดเนะ่ะโดยความมายติดอยู่แล้วนี้มันไม่ใช่การที่จะมาคอยสมังรคีอะไรหรือสามัคคีหรือสันติอะไรเรียกว่าโดยไล่โมห oh ะอยู่แล้วน่ะ ไม่ใช่เป็นระบบสันตตจิตหรือสมัคขีจิตหรือการผนวกจิตรวมจิตเรียกว่าโดยว่างอยู่แล้วโดยนิพพานโดยวิมุติอยู่แล้วเนี่ยไม่เหมือนกับโลกิยาจิตโลกิยาจริตเนี่ยมันชอบผนวกจิตชอบรวมจิตชอบสมัคขีจิตชอบสันติจิต ก็ลแล้วแต่เรื่องด้วยตัณหาเชื่อมโยงจิตทั้งนั้นอุปทานล็อกจิตทั้งนั้นแหละยังโมหะอยู่เรียกว่าโลกิยะธรรมโลกิยะจิตกเลยยังผูกอยู่ยังคอยผูกอยู่ยังขยันผูกอยู่ยังขยันลอยลัดจิตอยู่ ก็โดยที่ไม่อยู่แล้วนี่แหะที่รอยลัดอยู่ผูกูกอยู่ก็คลายเองโดยเนื้อหาของวิมุตต์โดยเนื้อหาแห่งนิพพานอยู่แล้วเองเลยหรืออย่างหนึ่งก็เรียกว่าปรงทุกฐานนิพพานทันที ไม่ใช่กรรมฐานถ้าโลกิยะก็ต้องกรรมฐานกรรมมันทุกฐานคอยเฝ้าฐานเคอยกรรมฐา น, าฐานก็โลกิยะหมดเรีย ว, ว่าโมหะทั้งหมดเฝ้ากายเฝ้าจิตอย่างนี้เฝ้ารู้เฝ้าเห็นอะไรอย่างเนี้ยเรียก ว, ว่ากรรมฐานหมดถ้าเฝ้าแล้วเรียกวกรรมฐานหมด เรียกว่าโลกิยธรรมแต่ในโลกิยะธรรมหรือกรรมฐานนี่มันก็เจริญกันมาอยู่แล้วตลอดไม่ว่าพวกไหนดวงจิตไหนก็เจริญกับกรรมฐานในตัวมันเองอยู่แล้วตลอดแช่ฐานส่งฐานเฝ้าฐานแช่รู้ทรงรู้เฝ้ารู้ เหนียวแน่นกับการเฝ้ารู้ทรงรู้อะไรเหลือกรรมฐานจิตให้ปองทุกฐานนีผ่านทันทีนั้นก็โดที่ไม่เลยไม่อยู่แล้วเนี่ยให้โดที่ไม่อยู่แล้วเนี่ยคือไม่ต้องห่วงรู้ซะก่อนไม่ต้องห่วงเห็นซะก่อนมันจะไม่เหมือนกับกรรมฐาน ไอ้กรรมฐานนี่ต้องคอยทรงรู้อยู่ตลอดทรงจิตทรงรู้ทรงเห็นอยู่ตลอดเรียกว่ากรรมฐานหรือเรียกว่ากอฐานจนก่อเกิดความส ำ, สำคัญผิดคิดว่าเราในรู้เราในเห็นมันก็เรียกว่าทั้งหมดของกรรมกิเลสซ้อนฐานกรรมฐานกออฐาน อันนี้คือไม่ต้องมาหวงรู้ซะ ก, ก่อนก็โพร่งเลยสว่างเลยโดยที่ไหมอยู่แล้วนั่นแหละโปร่งแบบไหมอันนี้เรียกว่าโปร่งฐานหรือเรียกว่าสละฐานไม่กรรมฐฐานไม่กอดฐาน ไล่ผู้กอดไล่ผู้กรรมก็คือไล้ตัณหาไล้อุปทานลอยลัดฐานนั่นแหละลอยลัดกายลอยลัดจิตไล่ตัณหาไล่อุปทานลอยลัดในรู้นะแต่ถ้ามันยังทรงรู้เหนียวเหนืดก็รู้อยู่ยังผนวกรู้อยู่ยังสมัคขี่ในรู้อยู่แล้วก็มันก็โมเดก ร, ร์มฐานไม่วิสามันทุที รู้ไม่คลายอยากรู้สถีดอกไมดก้ดอกนี้ไม่ยอมบา น, นทันทีแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นดอกไม้หรือเปล่าแร้วก้อนหินไปซะแล้วแข็งปปก แต่นั้นในลักษณะแห่งวิปัสนาและกรรมฐานมันจะต่างกันอยู่นิดเดียวไอ้กรรมฐานก็คือกรรมฐานกอดฐานทรงฐานคือทรงรู้แหละโมเตร น, นิ้วหนึ่งยกับการคอยรู้การทรงรู้นั่นเรียกว่ากรรมฐานแต่วิปัสนานี่ยเรียกคลายจากรู้ซะเองเลยไม่ใช่กอดรู้กรรมรู้คลายจากรู้ซะเอง โดยที่ไม่ต้องคอยเริ่มกับรู้อีกให้ไหมไปเลยโดยที่ไหมอยู่แล้วเลยไม่ต้องคอยเริ่มกับรู้อีกไม่ต้องพ ย, ย้ยารู้อีกอันนี้เรียกว่าวิสามันเรียกว่าวิปัสนาแบบเด็กขาดอันนี้เรียกว่าโปรงฐานจิตตรงนี้เรียกว่าโปรงาวิชาเลยตัวหลงรู้ ไม่ต้องรู้ซะ ก, ก่อนของวิปัสสนาวิสามันชนิดฉับพันเนี้ก็โดยที่ไหม้ไปเลยแบบไม่อะไรกับอะไรไปเลยโดยที่ไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเจริญกรรมฐานซะ ก, ก่อนเดี๋ยวค่อยมาวิปัสสนาเพราะว่ามันก็หลงกรรมฐานกันอยู่แล้วไม่ต้องมาค่อยติดซะ ก, ก่อนแล้วจึงค่อยมาค่อยหลุด อันนี้ก็โดยที่ไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่แบบไหนไม่อย่างไรอยู่แล้วเนี่ยเลยคือไม่ต้องห่วงรูซ้ซะก่อนเห็นซะก่อนแต่ว่าให้คลายจากที่หลงรู้หลงเห็นที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยแทนคลายออกเลย ส่วนรู้เห็นทั้งหลายก็จะถูกประโลกใช้แต่พอดีบอกแล้วว่าอัตโนมัติในการใช้ในการประโลกใช้ไปเองนี่อะปองทุกฐานนิพพานทันทีแต่นั้นการเจริญกรรมฐานเนี่ยมันคือความหลงทั้งหมด เหมือนก็ว่าเป็นการย้ำความหลงของเก่าที่มันก็หลงเจริญกรรมฐานกันอยู่แล้วไม่ว่าหมูหมากาไกา่เพ่งในเพ่งเพ่งในเพ่งรู้ในรู้รู้ไปไปรู้อยู่นังอย่างนั้นแหละมันก็กรรมฐานกายกรรมฐานจิตเกาะกายเกาะจิตกันอยู่แล้วเรียกว่ากรรมซ้อนกายซ้อนจิตนั่นแหละเรียกว่ากรรมฐานทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกวกรรมฐานกรรมฐานไม่ต้องมาเจริญอีก ให้ไหมเลยจะได้ฉับพันในเรื่องของการบรรลุฉับพันไม่ต้องแบบไหนอีกไม่ต้องมาห่วงเห็นซะก่อนรู้ซะก่อนเข้าใจไม่เข้าใจซะก่อนอีกให้ฉับพันเลยในการคลายเลย ไม่ไปเลยถึงจะเตื่นก็ตื่นแบบไม่ถึงจะรู้ก็รู้แบบไม่อะไรกับอะไรไม่ไปเลยถ้าลูกต้องมาคอยรู้ซะ ก, ก่อนคอยเห็นซะ ก, ก่อนลูกจะงุ่มงาม เหมือนก็ว่ามันไม่ค่อยไม่ฉับพันน่ะงุ่มงามอะ่ะรู้จักงุ่มงามไหมเชื่องช้าอนนะ นิสัยที่่อยรู้ซะ ก, ก่อนของลูกเนี่ยเป็นนิสัยที่สร้างปัญหาที่สุดประจำตัวประจำจิตอะไรๆก็ไม่ค่อยจะเรียกว่าฉับพันเลย่อยรู้ซะ ก, ก่อนของลูกเนี่ยมันแหมมันเหมือนวต้องอบายภูมิซะ ก, ก่อนแล้วจึงค่อยไปสวรรค์นั่นค่อยนิพพานอะไรโดยที่ไม่อยู่แล้วนี่ก็เรียกว่าผ่านเลย ไม่ต้องเอาบายภูมิสะก่อนไม่ต้องสวรรค์สัก่อนโดยนิพพานอยู่แล้วทันทีโดยวิมุติอยู่แล้วทันทีโดยนิพพานอยู่แล้วทันทีไม่ต้องยึดสัก่อนหลุดอยู่แล้วนะยไม่ค้องไม่คาอยู่แล้วเลยทันทีไม่ต้องเกาะสะก่อน โดยวิมุติอยู่แล้วโดยนิพพานอยู่แล้วเป็นพื้นฐานของการอุโบกใช้ท่าใช้ขันก็เรียก ว, ว่าผ่านเรื่องอะไรวอนเรื่องจุกจิกจิกแล้วชีวิตทางชีวิตนี้ก็จะเป็นเพียงสิ่งอุเบกขก แล้วก็สิ่งสมมติแค่นั้นทันทีไม่ใช่ของเราหรือว่าของใครจริงๆแต่แค่สิ่งอุปโลก์แค่สิ่งสมมติเท่านั้นทันทีทั้งชีวิต ตัวค่อยหลงรู้ซะ ก, ก่อนของลูกจะค่อยๆเบาบางลงไปเรื่อยๆถะโดยไม่อยู่แล้วไปเลยนะไม่ไปเลยลูกตัวค่อยหลงรู้ซะ ก, ก่อนรอรวดตัวที่ค่อยอวิชชาซะ ก, ก่อนของลูกเนี่ยนะมันจะค่อยๆเบาบางไปเรื่อยนะจากอาวิชชานหนักหนับ ลองรู้แบบจัดๆเนี่ยของโลกเนี่ยจะเบาบางไปเรื่อยเพราะจากการที่คลายตัวมันเองนั่นแหละตัวที่ไหม้นั่นแหละไม่ต้องไปเคยเริ่มแบบต้องรู้สก่อนเห็นสก่อนอะไรสกร่อนสก่อนสก่อนอะไรไม่ต้องสก่อนโดยที่ไหม้อยู่แล้วเลย วิชาของลูกเลยตัวหลงรู้แห่งลูกเนี่ยมันจะบางบางลงเองไม่จัดจนกระทั่งโดยที่มาอยู่แล้วนี่ดับจากรู้เป็น จกนั้นในเยื่อใยในการรู้สะก่อนให้มันสิ้นซากเลยแล้วนั่นแหละจึงค่อยใช้รู้เป็นจริงๆอุปโลกรู้เป็นถ้าตราบใดตัวค่อยรู้สักก่อนพระลูกมันยังมากอยู่แล้วค่อยปล่อยค่อยวางค่อยคลายนั่นนะ มันความอะไรมันเยอะมันเหนือ่อยมันเหนียวยังไงเสียมันก็ยังใช้รู้ไม่เป็นหรอกนงหลงก่อนทุกทีใช้แบบหลงใช้รู้ใช้จิตยังไงมันก็ใช้ไม่เป็นถ้าังมาห่วงดูซะก่อนเห็นซะก่อนรู้ซะก่อนแล้วจึงค่อยปล่อยนี่ยังไงมันก็ใช้ไม่เป็นนกรูก้เนี่ยใช้แบบหลงทุกที แต่นั้นก็ไม่ต้องมาห่วงส ก, กอรอีกเรียกว่าอย่าเจริญตัวเยื่อใยในกรรมฐานจิตของทุกฐานการหลงเห็นหลงรู้มันจะเริ่มเบาบางให้เองทั้งหมดแะเรียกว่าวิชาเริ่มเบาบางลง ไม่เลยหมดเหล่าหมดกอหมดเงาหมดโคตรผู้ดิชนอะไย่าห่วงตัวจ้เอซะก่อนรู้ซะก่อนอะไร อันนี้เรียกว่าคลายจากอาวิชชาหมดทั้งต้นขั้วของอวิชชาตัวหลงรู้นั่นเองใครมันจะไปเฉลียวใจล่ะมันยังไม่รู้จากอาวิชชาซะด้วยซ้าไปตัวหลงรู้เป็นยังไงก็มันจเจริญแต่ตัวหลงรู้อยู่เรื่อยคอยรู้คอยรู้ซะ ก, ก่อนอยู่เรื่อยเรียกว่าคอยจเจริญแต่อวิชชาซะ ก, ก่อนอยู่ตลอด เมื่อท่านบอกว่าเป็นของร้อนก็ให้ปล่อยเลยก็ไม่ต้องไปเลยก็ไหม้ไปเลยโดยที่ไหม้แบบไหนไหม่อย่างไรอยู่แล้วโดยที่ไหม้อยู่แล้วเนี่ยไปเลยไม่ต้องมาห่วงต้องแต่ต้องของร้อนอะไร รู้เบาๆก็ไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาบงมาเบาหรอกหนักมาเบาอะไระลูกให้ไหมกับไหมเลยลูกไหมอยู่แล้วเนี่ยนะไม่แบบไหนไม่ย่างไงอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องมาห่วงแค่ทั้งรู้เบาๆอะไรจะได้เป็นอัตโนมัติในการโวกใช้จิตของเขาเองไป ไข่ลูกเบานี่เขตัดเยื่ อ, อยังเหลือใหญ่อยู่ตัดโบอะไรเหลือให่อยู่คล้ายๆกันอย่างนั้นแหละยังห่วงโตลูกอยู่อีกห่วงอวิชาแต่จะใช้มันใช้ของมันเองอัตโนมัติก็บอกแล้ว ต่รู้จะเห็นเลยใช้ก็ใช้เขาเองแบบตนอมัตินะแต่โดยที่มาอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเนี่ยเรียกว่าโดยนิพานอยู่แล้วโดยมุตยอยู่แล้วเนี่ยคือไม่ใช่การกรรมแล้วการเป็นเจ้าของฐานการกรรมรู้แล้วการเป็นเจ้าของรู้เนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมด ไปมันจะได้รู้แบบไม่ต้องห่วงรู้รู้แบบแล้วแล้วไปแหละรู้แบบไม่ต้องห่วงรู้เห็นก็แบบไม่ต้องห่วงเห็นแบบแล้วไปมันไม่ใช่ประเภทที่เอารู้เอาเห็นไปฟัดกับใคร แบบแล้วไปไม่ใช่ไปฟัดกับอะไรให้รู้เห็นเนี่ย ลไม่อยู่แล้วเรื่อยๆ เ, เข้าลูกไม่ต้องมาห่วงรู้อีกเพราะมาหลงรู้ ก, กันอยู่แล้วนะจะได้คลายจากที่รู้ว่านั้นเรื่อยๆ เ, เข้าโสโสโสโสโส